คุณบอยมาพร้อมกับเรื่องแปลกๆนะครับที่ได้รับฟังมาอีกทอดหนึ่งจากเพื่อนที่สนิทกันคนหนึ่งก็แล้วกันครับเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณบอยฟังและคุณบอยก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพวกเราฟังอีกทอดหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าเรื่องปรับทุกข์จากแดนไกลเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกในค่ําคืนวันนี้จากสายของคุณบอยฉีดปลวกครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพิจารครับเอาโหนนี้มาเสียงเสียงหล่อเลยอ่าแล้วก็ วันนี้มาเป็นสายแรกเลยนะฮะปกติเราจะคุยกันสายหลังๆใช่ครับโออนะครับบอยสบายดีนะเออสบายดีครับทําไมต้องเพอ่มสักพักเดี๋ยวผมคงต้องออกเดินทางต่อไปไหนก็กลับกรุงเทพครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยโทษทีตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ปาจีนครับปราจีบุริอ๋ออยู่ปาจีนเดี๋ยวคุยเสร็จนี่คือเดินทางกลับกรุงเทพเลยเหรอใช่ครับประมาณประมาณตีหนึ่งขับรถเองหรือเปล่าก็ งวนดนี้คงต้องขับรถเองครับโอ้ <c oughs> ยิ่งขับรถกลางค่ากลางคืนจากปราจีนมากลางคืนถนนเส้นนั้นค่อนข้างเชี่ยวมืดนะใช่ใช่ครับ<อ>มืดมากขับรถด้วยความระมัดระวังนะคุณบอยนะขอบคุณครับพี่แจ็นะครับมาว่าก็ถึงรเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณบอยได้ยินได้ฟังมาจากเพื่อนคนหนึ่งครับผมนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นชื่อเรื่องของปรับทุกข์จากแดนไกลาถามหน่อยว่าแดนไกลที่ว่านี้เนี่ยอยู่ที่ไหนอืม Uh, จากประเทศเยอรมนีครับอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะใช่ครับใช่นะครับเพื่อนคนนี้เขาเล่าให้กับคุณบอยฟังว่า ย, ยัางไงเชิญครับคุณบอยเออมือ่อเมื่อประมาณประมาณประมาณเดือนที่แล้วครับประมาณต้นเดือนที่แล้วเนี่ย ค, คือเพื่อนอ่ทาทังญาติเขาอะได้ติดต่อมาทางผมบอกว่าเพื่อนเพื่อนผมคนเนี้ยก็จะกลับมาเมืองไทยเพราะว่า เขาไมา่จะมาร่วมแบบประเพณีสงการที่บ้านเราออ่่าประจวบหมอพอดีเลยผมก็เลยรู้สึกอ่าไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วอตั้งแต่ตั้งแต่มีมีงานที่ผ่านๆมาเนี่ยครับคืองานมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยรับปากโอเคเดี๋ยวเด๋ยวผมจะไปรอรับเขาที่สนามบินก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้ญาติเขามาอีกทีเพื่อเล่าตัวกลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอไปถึงก็เจอกันนะครับเขาก็มากับลูกสาว มากับลูกสาวสองคนนะฮะก็ถามซาดึุกซึบดิบว่าเออเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอตั้งนานนู่นน่นั่นอะไรเงี้ย<ม>เขาก็บอกว่าเออเขาอยู่ที่นั่นเขาสบายดีไม่มีปัญหาอะไรก็เหนื่อยๆหน่อยเพราะเขาเลี้ยงลูกคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดีหน่อยที่ยังมีแม่คอยดูแลคอยดูแลด<ม>ิสายแล้วก็เป็นเป็นเสาหลักอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นอ่ะเขาได้ฟังฟั ง, ฟงรายการเดอะกู๊ด<ม>นะฮะ<ม>อ่าเขาได้ฟังย้อนหลังทาง youtube อะไรเงี้ย เขาฟังเขาเมื่อเบื่อเขาก็เลยมานั่งฟังมาอะไรอย่างเงี้ยเราเบื่เอินว่าใบแจ็คพอตตรงนี้ว่าเขาได้ฟังเรื่องของผ ม, ม, มที่ว่าผมคอยโ ท, โทรไปเล่าที่รายการให้ฟังอะไรเงี้ยคเขาก็เลยรู้สึกว่าเธอมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาอึดอัดมานานแล้วอยากจะเล่าให้ฟังแล้วเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วด้วยอะไรเงี้ยคเกี่ยวกับเรื่องสามีของเขาอืคือคือผมต้องขอเกินหน่อยว่าสามีของเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับ ซึ่งตอนที่เขาเสียชีวิตไปแลป้วงานศพเนี่ยผมก็ไปได้ไปช่วยในงานเขาด้วยออืนะฮะช่วยในงานจับตุ้ละอะไรเสร็จคือเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมหาลัยฮะ น, านนแล้วรับอะก็ผมก็เลยว่าเอาเคงั้นเล่ามามันมีมันมีเรื่องอะไรอึดอาดใจเหรอเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ได้บอกใครเลยว่าสามีเขาเอ่อไม่ได้เสียชีวิตแบบธรรมดาไม่ได้เสียบบตามธรรมชาติ ใช่ครับแต่เป็นการเสียชีวิตโดยการฆ่าตัวตายอ๋อฮะฮะฮะโดยการฆ่าตัวตายผมว่าอ้าวจริงๆรเหรอบอกใช่มันเป็นการฆ่าตัวตายเราถามว่าเรื่องมันเกิดยังไงขึ้นไหนไหนถ้าเล่าเล่าได้โดยสังเกตวก็เอาเท่าที่เราได้แล้วกันนะอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ยากเข้าอึดอัดใจครับเขาเขาเล่ามาเขาบอกว่าก็หลังจากที่แต่งงานกันแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นครับ คือสามีของเข า, าได้ไม่นานนะก็ประมาณสักสามสี่ 3, เดือนนะ่ะเขาบอกว่าอในช่วงการแต่งงานอนะ่ะเขาไม่ค่อยมีความสุขเลยอืมันมันมันผิดปกติมันอะไรหลายๆอย่างมันดูเหมือนดูแบบมีอะไรขัดขัดสนไปหมดคือขัดทางด้านความรู้สึกหรือขัดกันทางด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตร่วมกันหลายๆอย่างแบบทะเลาะกันบ้าง น, น, นู่น น, นี่นั่นนันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนมันร้ายแรงเริ่มร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆเขาบอกนะครับเพราะว่า <S <S มันมีหลายครั้งหลายคราวที่เขามีความรู้สึกว่าสามีเขาว่าเหมือนเป็นโรคประสาทหรือเปล่าอืมอือ่าถามว่ามีโรคประสาทเป็นยังไงอย่เนี่ยพฤติกรรมอย่างเช่นอ่าเวลาตอนนอนนอนอยู่เนี้ยอยู่ดีๆเขาก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็คุยอยู่คนเดียวอืมค่ะทางรังที่นอนด้วยกันแต่ลุกขึ้นมาเหมือนมันนั่งแล้วคุยอย่ใครก็ไม่รู้ใช่อ๋อตัวเพื่อนผมอะ่ะเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาปุกบอกว่าคุยอย่ใครเป็นอะไรคุยโทรศัพท์อยู่เหรออย่างเงี้ยปุ๊บ เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนทิ้งตัวลงนอนต่อเลยเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับเขาก็อ๋อสงสัยละเมอซึ่งมันไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวอืมมันเกิดหลายต่อหลายครั้งด้วยกันครับจนถึงขนาดอ่าจนถึงขนาดแบบลงเตข้างล่างนะครับไปทํากับข้าวตอนประมาณตีสองตีสามแล้วนั่งกินอยู่บนโต๊ะแล้วคุยกับใครที่เขไม่รู้อืมครับเขาบอกว่าเอ๊ะเรื่องมันแปลกนะ Hmm. เขาก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้แม่สามีฟังน <Okay. S 2> ะครับทำใหเราแม่สามีฟังแม่สามีบอกว่าอแต่ก่อนนี้เขาไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะ <Okay. S 2> ลูกลูกทั้งลูกเขาลูกเขาก็เป็นแต่ปกติไม่มีอะไรอ่ <Okay. S 2> ก็เลยแม่เขานะครับรก็ได้ตัดสินใจที่จะพาพาตัวลูกชายเขาอะก็คือสามีเพื่อนเนี้ย hmm. ไปหาหมอ hmm. เพื่อปรึกษาทางด้านศริรแพทย์ว่าเป็นอะไรอะไรยังไงหรือเปล่าเนีย้ยค <Okay. S 2> ซึ่งผลตัวออกมามันก็ปกติ อื mm. ไม่ได้มีเกณฑ์เข้าขั้นถึงว่าจะเป็นแบบภาษาอ่อนๆหรือติตอ่นอนๆอะไรเลยคคร uh huh. ครับับบประมาณนั้นทีนี้คือเรื่องหลายๆอย่างนะมันมันก็ยังเกิดซ้ําหลังจากที่ไปหาหมอมาออื mm. แม่เขาบอกว่าเอ๊ยหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องของไอ้นี่ละวิทยาศาสตร์ละอาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นหรือเปล่าออืนะฮะแม่เขาก็เลยปรึกษาลูกชายเขาแล้วก็พาพาทั้งเมียเขาอ่ะคือเพื่อนผมมาพาเป็นสามคนอะ่ะเพื่อไป ถวายสังฆทานไปทําบุญบไปหาพระหาเจ้าอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็พากันไปทําบุญปรากฏว่าพอพายไปทําบุญเนี่ยก็ระหว่างที่เห็นเพื่อนผมเล่าให้ฟังว้าระหว่างที่ถวายสังฆทานเนี่ยครพระท่านนะยังไม่ได้รับอืมนะครับแต่มองมาที่พี่มองมาที่ผู้ชายคนนี้ยก็คือแฟนสามีเขาแล้วบอกว่าเขาบอกเขาจํำคำพูดได้ตรงที่ว่าอะไรที่มันมันผ่านไปแล้วอะก็ปล่อยๆไปเถอะ อยเก็บมันไว้ออืเขาบอกเขาจาแม่นเลยประโยคคําเนี้ยครับอะไรที่เป็นผ่านอะไรนะให้มันผ่านไปอย่าเก็บไว้อืก็เลาไม่ได้ไปคิดอะไรนะครับก็เลยกลับมาแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครั บ, รบก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะกลับมาพระทัานมอบเปลี่ยนพระให้ครับเหรียญหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเอาไปใส่กรอบนะครับแล้วก็ให้ใ ห, ให้ให้ลูกชายห้อยเอาไว้อย่างเงี้ยแม่เขาก็รับมาแบบงง เขาก็เลยรับมาแล้วก็ไปใส่กอให้เรียบร้อยแล้วก็บังทับให้ลูกชายใส่เขาไว้ครับคือก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เจอแ่ะคืออะไรแต่แบบอยากให้ทำและให้สบายใจไว้ก่อนเอาเอาเอาสบายใจไว้ก่อนออใช่ครับเอาสบายใจไว้ก่อนคือลูกชายเขาก็มีท่าทีขัดขืนครับประมาณว่าแบบไม่อยากใส่ไม่ค่อยชอบใส่โน่กนี้นั่นแหละแต่สุดท้ายก็ยังต้องใส่นะฮะอื ผมก็บอกว่า ม, มันก็ไม่น่ามีอะไรนี่ก็ก็มีแค่เรื่องประหลาดๆแต่ยังไม่เห็นอะไรบอกเพื่อนผมก็บอกว่าไอหลังจากที่ได้ท่ามาเนี่ยรเรื่องแปลกประหลาดที่น่ากลัวแบบมันเริ่มขึ้นจากนี้ผมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งในขณะที่เขานอนอยู่คือตัวผู้หญิงอะ่ะเขานอนทางด้านซ้ายนี่นสภานะครับผู้หญิงนอนด้านซ้ายแล้วผู้ชายนอนด้านขวาครับ ผู้หญิงอ่ะหันไปหาผู้ชายทางด้านขวาส่วนผู้ชายก็หันมาด้านซ้ายะนะครับสักพักหนึ่งอ่ะคือผู้ชายก็หันไปด้านขวาคือหันหลังให้ผู้หญิงครับครับนะคะเหมือนรู้ตัวผู้หญิงมันตักเตียงมันขยับไปลุ้มตัวก็ลืมดืมตาเพราะว่ามันมีพฤติกรรมที่ทําให้เขาคิดว่าเ อ, อแฟนเขาจะลุกขึ้นมาเหมือเหมือนเดิมหรือเปล่าอก็หลีตามองสิ่งที่เขาเห็นก็คือมันเป็นเงาพี่เงาดำดำครับซึ่งเหมือนนอนนอนอีกที่หนึ่ง พี่นุ่นข้าวบอกอหมแฟนเขานอนเอ่อตัวผู้หญิงอันนอนทางซ้ายครับแฟนเขานอนทางขวากแล้วนอนข้างกันใช่เหมือนมีเงานอนข้างกันอืมเพื่อนบอกว่าเห็นนะเป็นมันเป็นเงาด้านข้างซึ่งนอนหันหน้ามาทางมาทางตัวเขาเองอ่ะก็คือนอนซ้อนกับฝ่ายชายฝ่ายชายเนี่ยหันหลังให้ผู้หญิงแต่เงาเนี่ยหันหน้ามาหาผู้หญิงถูกไหมถูกต้องนะครับใช่เขาบอกว่าในเงาเนี่ยเห็น เป็นผมผู้หญิงนะ่ะ<อ>ผมยิครับเป็นพี่ผู้หญิงนะเป็นผมยิบยิอแล้วกค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาชา้าๆพร้อมกับดวงตาที่มันเป็นขุนๆนะพี่ผู้หญิงแห่งนะ่ะเพื่อนผมมาเห็นดังนั้น<ๆ>เขาก็เลยกรี๊ดขึ้นมาดแล้วรานห้องเลยนะครับเขาก็เลยกรี๊ดขึ้นมาแล้วห้องเลยกรีดผู้ชายก็ตื่นแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาเจอผีเจอผีเนี่ยมานอนข้างๆเลยเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงผู้หญิงผมยิกยผมยิบ ออแฟนเขาตกใจแล้วก็ขึ้นขึ้นนะนะก็หันไปมองก็ไม่มีแล้วนี่ไม่มีดูดดีดดูดีดก็ไปเปิดไฟห้องทั้งห้องเลยนะครับกดว่ามันก็ไม่มีอะไรอืออืออีกมันเริ่มแบบเริ่มกลัวเริ่มอะไรและพี่หลังจากนางมาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเขาเองอใช้ชีวิตอยู่เหมือนสามคนครับไม่ได้เหมือนว่าใช้ชีวิตอยู่สองคนแล้วอะไรเงี้ยเรื่องแปลกอะไรต่างๆนานาอยู่ในบ้านเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด อ่าแล้วก็มีเรื่องที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าสามีเข า, เาไปทํางานต่างจังหวัดตอนนั้นนะนะครับแล้วตัวเขาเองอยู่บ้านคนเดียวคือตอนนั้นอาจจะทิ้งช่วงประมาณแบบเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก็เลยโอเคอยู่อยู่คนเดียวไม่มีอะไรครับนะครับประมาณกลางดึกเขาบอกว่าประมาณกลางดึกเขารู้สึกอยากเข้าห้องน้ำเขาก็ตื่นขึ้นมาจากเตียงนะคะสลืมสลือ แต่สิ่งที่เห็นนั่คือตรงหน้าห้องอ่ะมันเป็นไฟเปิดไฟไว้ถูกไหมพี่แล้วมันมีเงาเหมือนคนเดินอยู่หน้าห้องออเขาก็คิดว่าอ้าวสามีเขากลับมาแล้วครับอเขาคนเลยเดินไปแล้วเปิ ด, ป, ดประตูปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครห้องเลยอย่างว่างๆพื้นที่ก็ว่างๆส่วนชั้นล่างเนี่ยมันก็ปิดไฟมืดครับนี่อ๋อหรือตาฝาดนอนของตาฝาดก็เลยเข้าน้ำไปนะครับเข้าน้ำไปปรากฏว่า ้ห้องน้ำเสร็จอยู่ดี ด, ดไฟห้องน้ําอะดับครับพอดับเสร็จไอ้ไฟข้างนอกอะมันไม่ดับตามอือเออแล้วเห็นเป็นเงาเดินอยู่ข้างนอกครั บ, รบเขาก็คิดว่าสามีเขาอะเป็นคนแกล้งกลับมาแล้วแล้วแกล้งเ อ, อ ท, ทําธุระเสร็จแล้วเขาก็พยายามจะเปิดประตูประกฏว่าประตูเปิดไม่ได้ครับทั้งทั้งที่มันต้องล็อกจากข้างในถูกไหมพี่ อ, อืมแต่มันเปิดออกไปไม่ได้เขาก็เลยตะโกนโมโวัยออกมาวานี่เธอถ้าเธอกลับมาแล้วอะเธออย่ากแกล้งฉันอย่างงี้นะอืมเออ อืมฉันกลัวนะอย่ากแกล้งฉันอย่างนี้ครับ<ะ>ในขณะที่กําลังพยายามเปิดประตูอยู่ดีๆโทรศัพท์ดังขึ้นมาอ่าในห้องน้ํามันมีโทรศัพท์ป้านนละพี่ครับครับเขาก็รับอ่าเป็นเสียงสามีเขาอ่อแล้วบอกว่าเธอเดี๋ยวคืนเนี้ยเอ่อคืนพรุ่งนี้จะให้แม่มานอนเป็นเพื่อนนะครับเ<ะ>ออฉันยังกลับไปไม่ได้อืเดี๋ยวมัเรือนจะกลับ เขาได้ยิน น, นั้นเขาร้องไห้เลยร้<ะ>องไห้ขาโทรศัพท์แฟนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอเขาบอกว่าเนี่ยเจอผีอแล้วเจอผีให้แม่มันอนคืนนี้เลยอะไรเงี้ยครับก็เขาก็ให้แม่สามีมานอนคืนนี้เลยแม่สามีก็มาทั้งคืนคืนนั้นะเงินกลางดึกก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นมาเป็นต้นมาก็คือคือเหมือนเขาบอกว่าชีวิตไม่ได้มีความสุขอย่างที่อย่างที่เป็น นะครับก็คือแบบมีเรื่องทะเลาะกันปับไปนะฮะจนแบบสามีเขากลับมาแล้วเขาก็เล่าเรื่องเรื่องพวกนี้ให้ฟังว่าเขาเจอผีนะตอนที่เขาออกไปต่างจังหวัดเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขายังเจอผีเจอจังเลยมันกลับกลายเป็นว่าผู้ชายเนี่ยพอได้ยินเรื่องพวกนี้มันทําให้เขาหงุดหงิดอืมหงิดแล้วก็เกิดเรื่องแบบทะเลาะกันคือผู้ชายไม่เชื่อไม่เชื่ อ, อมไม่เชื่อเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอ<ข>ะไรอย่างเงี้ยครับครับอ่าจนไม่เชื่อ จนถึงขั้นแบบเหมือนจะเลิกกันเลยเดี๋ยนทีเดียวนะครับในช่วงนั้นแต่เขาบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนสามีเขาได้สติอเขาได้สติแล้วก็มานั่งคุยกันมันนั่งจับเข่าคุยกันะอะไรอย่างเงี้ยาาคือชีวิตคู่นะพี่ก็เขาก็คงไม่ไม่ได้อยาจะเลิกกันออ่ะืแต่งงานกันแล้วก็เลยจับเข่าคุยกันผู้หญิงเขาบอกมีอะไรมีอะไรเกิดอะไรก็เล่าให้ฟัง นะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ชีวิตผู้มันไปไม่รอดในวันนั้นสามีเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดทุกๆอย่างนะครับถือความจริงที่เป็นที่เป็นอยู่ครับเขาบอกว่าก่อนนี้เขาจะมาแต่งงานกับเพื่อนผมคนนี้เขามีแฟนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วคบกันมานานแล้วตัดสินใจจะแต่งงานกันแล้วครับปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือเขาไปเที่ยวกันเราวรถเกิดอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ นะครับผู้หญิงอนะตายคาที่เลยครับส่วนผู้ชายอาขาคลอดมาได้อออืหลังจากนั้นมาคือเขก็ข่ําครวนถึงผู้หญงเขาเนี่ยตลอดเวลา ค, ค, คือทําใจไม่ได้พี่คนจะแต่งงานกันอนะรักกันมานานอะไรเงี้ยเอในจังหวะ น, นั้นนะ่ะคือเพื่อนผมอะเข้าไปในชีวิตเขาโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาอออืาสามีเขาก็เล่าอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่เราแต่งงานกันอนะ่ะคือ เขานอนอะแล้วก็ฝันถึงมุยยิงคนเนี้ยตลอดเวลาเลยคร <c oughs> ับฝันว่าแบบยังรักเขาไหมยังรักเขาไหมจะแต่งงานกับเขาไหมเออเขาบอกว่าในฝันอะเขาตอบตกลงทุกครั้งเลยครับอือตอบตกลงทุกครั้งเลยมันไม่ได้แล้วอเรื่องมันเริ่มใหญ่โตแล้วเขาก็เลยว่าอ่ะเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้แม่สามีฟังคือเล่าให้หมดทุกๆอย่างเลยด <c oughs> ีกว่าเนี้ยก็เล่าให้แม่เขาฟัง <c oughs> แม่ก็บอกอย่างงี้ไม่ได้แล้วนะอย่างงี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> นะฮะก็เลยให้ลูกตัดสินใจให้ลูกอ่ะบวชนะฮะบวดที่วัดวัดหนึ่งครับในต่างจังหวัดของเขาไปบวชเสร็จก็เขาบอกว่าอาหลังจากที่บวชได้ประมาณสามสี่วันอ่ะนะเอเขาก็ไปใส่บาตรเข้าไปเยี่ยมอะไรเงี้ยหน้าตาดูสดชื่นดูก็เป็นคนละคนเลยอออืมเดูสดชื่นดูเป็นคนละคนเลยก็โอเคหายห่วงแล้วว่าคงไม่มีเหตุการณ์อะไรขึ้น ไม่มีเหตุการณ์อะไรนมั้งเนี้ยครับก็กลับมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยประมาณไม่ถึงอาทิตย์มั้งพี่คือทางวัดาเขาติดต่อมาครับครับเขาบอกว่าสามีเขาว่าผูกคอตายออที่ตายต้นไม้ใหญ่ในวัดห ม, หมายถึงว่าผูกคอตายในขณะที่บวชอยู่เนี่ยหรอบวชอยู่เลยใช่เลอ้อ๋อผูกคอตายในขณะที่บวชอยู่ครับครับก็บ ก็โทรติดต่อให้ให้ญาติอามารับมารับศพอะไรเงี้ยเขามาด้วยความเสียใจแล้วก็แบบสงสัย ว, ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะพอมาถึงแบบก็ก็เห็นศพสภาพศพคือแบบนะเขาไปแล้วอะไรเงี้ย<ม>อ่าก็เสียใจนง่นี่นั่นนะเพื่อนเขบอกว่าในระหว่างที่ในระหว่างที่คือเขารู้เข่าเสียใจเขาอะไรเนะ่ยมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขา่หยุดหยุดหยุดคิดแล้วก็หันไปมองที่ศพ ปรากฏว่าเขาไปเห็นในสร้อยสอยอั น, นที่คอคอยตัวนี้ปกติมันควรจะต้องเป็นเหรียญทบแต่มันไม่ใช่ออื ม, มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นขดๆดําๆอ่ะแล้วมันถูกเคลือบเคลือบด้วยพลาสติกแล้วห้อยคอไว้อยู่หมายถึงว่าสร้อยเส้นนั้นที่ตอนนั้นไปทําบุญแล้วพระให้มาถูกไหมใช่ใช่ตอนแรกพระให้มาคือเป็นพระ เป็นพระเป็นพระเลยเออเป็นพราแต่พอมาดูอีกทีหนึ่งไม่ได้เป็นพระแล้วใช่ไม่ได้เป็นพราแต่มันเป็นอะไรไม่รู้คือเหมือนขมดขมดเขาปุก๊บขมวดขมวดอ่ะเป็นกลมๆดำๆอะอยู่ไนแล้วก็เคลือพลาสติกแล้วห้อยคอไว้นะฮะครบแม่เขาก็เลยบอกให้มูลนิธิเนี้ยช่วยเอาอันเนี้ยออกมาให้หน่อยออืคืออย่าเขาอยากรู้เขาก็ดึงออกมาแล้วมาดูแล้วปรากฏว่าเขามาแบบคือให้ช่างอมาแกะดูปรากฏว่าพี่ไอขมวดกลมๆน่ะมันเป็นเส้นผม เป็นเส้นผมใชโ่โอ้อ้มันเป็นเส้นผมนะพี่เป็นเส้นผมแบบเหมือนแบบหยักโศกอีกอะ่ะครับออผมแม่เขาดูแล้วแม่เขาก็ดูดูดูดูะนะเขาก็นึกได้เลยว่าออน่าจะใช่แล้วแหล ะ, ะเส้นผมเนี้ยเป็นเส้นผมของแฟนเก่าเขาครับออืแฟนเก่าเขาเพราะแฟนเก่าของผมแบบหยักโศกแล้วกันอีกในตอนที่เกิดเรื่องอะ่ะเขาแม่เขาคาดว่า คือคิดนะครับคาดว่าลูกชายว่าเคงจะไปเก็บเส้นผมมามล้วเก็บไว้กับตัวอออืมันทําให้คําพูดของของพระที่พูดออกมาว่าอะไรที่มันควรปล่อยไปก็ปล่อยไปเถิอยู่เข้าใจแล้วย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับครับครับอก็เรื่องราวก็จบตรงนี้ก็คือไปจัดงานจัดงานศพแต่ก็ปิดเรื่องนะคะว่าลูกชายว่าฆ่าตัวตายกันผูกคอตายเพราะว่าทางบ้านเขาทางทางมีมีเงินอยู่อะไรเงี้ยผมก็ไปงานศพ เหมือนกันก็ไปช่วยจัดแจงอะไรเงี้ยคือเรื่องราวก็จบลงนั้นคือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการตายที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้ยหรือเป็นแฟนแฟนของเพื่อนผมเนี่ยเขาตายด้วยสาเหตุอะไรคือปิดสนามมันมมันมีอยู่สองอย่างหลักๆคืออันแรกเนี่ยเขาไปเจออะไรมาเขาไปสำนึกหรือว่าเขาไปคิดอะไรอยู่ถึงได้ฆ่าตัวตายอีกอันหนึ่งคือจากสิ่งที่เขาเอามาห้อยคอเนี่ยเขาเปลี่ยนตอนไหน เขาทำเพื่ออะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคงจะคิดถึงแฟนเก่าอยากเก็บชิ้นส่วนของแฟนเก่าไว้กับตัวอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่อันนี้เราก็ไม่รู้ได้<อ>ใช่คร<อ>ับก็<อ>หลังจากที่จัดงานศคอเล็กซ์ร้อย ค, คือตัวแม่สามีเขาก็เขาก็เลยให้ลูกสะพายาก็<อ>คือเพื่อนผมเนี่ยย้ายถิ่นฐานไปปักหลักอยู่ที่เยอรมันเลยโลฮ่าซึ่งก่อนก่อนที่ย้ายไปเยอรมันเนี่ยคือ เหมือนกับแบบเขาท้องครับเอ่าท้องอ่อนๆอยู่อ่าท้องกับแฟนคนเนี้ยใช่ครับเหรอใช่อ่าแล้วท้องอ่อนๆอยู่ครับก็เลยย้ายไปที่เยอรมันเลยครับเขาบอกว่าอือเรื่องราวมันก็มีแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่แค่นี้นะคนคนหนึ่งเจอมาลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่านะมันน่าจะเป็นเรื่องของความผูกพันความคิดถึงหรืออะไรบางอย่าง อาจจะเป็นคำสัญญาที่เขาเคยพูดเคยบอกอะไรกันไว้ก่อนหน้าที่แฟนเก่าเขาจะเสียชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับเออพี่มันมีอีกจุดหนึ่งคือคอ่าเพื่อนผมเล่ให้ฟังว่าตอนที่ไปเยี่ยมเยี่ยมสามีเขาที่เป็นพระครับอ่าก็จะมีเจ้ า, าวาดเจ้ า, าวาดมาด้วยครับแล้วเจ้ า, าวาดก็บอกว่าเออแบบตับสะนะเขาพูดอยู่ดีๆเาพูดลอยๆขอ้มาตัดซนะ อตัดสินาเพราะอย่างน้อยเนี่ยคนเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วนะ อ, ะอะหมายถึงว่าหมายถึงว่าคือสามีอ่ะไม่ได้มีแค่ตัวสามีคนเดียวแล้วนะอะไรเงี้ย อ, อาจจะหมายถึงลูกในท้องของเขาที่กาลังจะมาเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบประมาณว่า คืออาจจะพูดอลอยๆหรือผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมคิดเองรพราท่านอาจจะเห็นอะไรบางอย่างอืเอมันก็ตามตามมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขก็บอกว่าเนี่ยเออตัดตัดไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ได้มีคนตัวคนเดียวเลยนะคือเขาครบแล้วนะพ่อแม่รู้เขามีลูกอยู่ในท้องอะไรเงี้ยตัดเถอะตัดทางโลกเถอะอะไรอย่างเงี้ยอือโอ้โหซึ่งตัวตัวเพื่อนผมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รทราบว่าเข้าว่าแนละท่านพูดถึงเรื่องอะไครค ฟังแล้วเศร้านะเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องเอย่างที่ผมบอกแหละมันเป็นเรื่องของความผูกพันเขาคงไม่ได้มีเจตนามาหลอกมาหลอนเพื่อนของคุณบอยหรอกแต่คงจะมีอะไรลึกซึ้งบางอย่างกั บ, บแฟนของเพื่อนคุณบอยหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้ทําไมเขาถึงต้องจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายในขณะที่ตัวเองกําลังบวชอยู่ ใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสหรือเปล่าชเราไม่รู้ได้ใช่ไหมครับเรเก็บได้แค่เก็บคำเรื่องจากเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังเท่านั้นเองว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่หลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปคือเพื่อนของคุณบอยครับผมเป็นไงฮะโอเคมากผ่านมานีขึ้นครับชีวิตก็ดีขึ้นแล้วลูกอ่ะลูกก็โตขึ้นนหนักขึ้นเลยโอเคโอเคโอเคนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของ เวนกรรมของคู่นั้นมากกว่านะผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวออข้องกับเพื่อนของคุณบอยหรอกถ้าท่าฟังเรื่องทั้งหมดอะนะครับใช่ครับเ<อ>ข้าไปโดยที่เขาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเล ย, เลยครับ<น>ครั บ, <น>รบมาในจังหวะเป๊ะพอดีเออนะฮะออ้าวนั่นคือเรื่องราวที่เพื่อนคุณบอยนะครับมาบเล่าให้ฟังนะครับเรื่องเกิดมานานล้ะแต่เขาอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณบอยฟังเพราะว่าเออมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันก็หดหูมันก็ เศร้าเหมือนกันนะสาหรับเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องของความผูกพันเรื่องของคำสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่แต่ไม่น่าจะหลุดไปจากเนี้ยวงเนี้ยเออคำสัญญาความผูกพันอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับก็ผมอยากอยากจะบอกเพื่อนที่อยู่ที่เยอรมันนะครับตอนนี้บอกว่าออโอเคเล่าแล้วนะเล่าให้เล่าให้ทางรายการฟังแล้วนะ โอเคันแหละครับนะถ้าเขาฟังอยู่นะผมเชื่อว่านะคือเราก็ยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามหมั่นอุทิศทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้เขาบ่อยๆในในจังหวะที่เรามีโอกาสเนาะครับผมได้ครับคุณบอยขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาเริ่มต้นกับ The g o s t Radio นะครับแล้วก็เดี๋ยวตีหนึ่งเดินทาง นะครับยังไงก็เดินทางถึงกรุงเทพมหานครด้วยความสวัสดิภาพนะคุณบอยนะขอบคุณครับพี่แจ็คได้ฮะคุณบอยยังไงขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับยินดีสมครับพี่ได้ครับคุณบอยครับสวัสดีครับพี่ดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซ b s c r i b e c h ANNEL THE COAST RADIO OFFICIAL กันด้วยนะครับ